หลวงพ่อเนะี่ยทสมถะมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เจขวบทําทุกวันเลยไม่เคยเลิกเลยนะหายใจหายใจเข้าพูดออกโทอย่างนี้หายใจอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันตอนหลังรู้สึกพุโทโธมันเกินไปนะเยอะไปเป็นเครื่องรุงรังก็เหลือแต่หายใจเนะี่ยมันลดลงไปภาระมันน้อยลงนะหายใจอยู่22ปีนะจิตใจสงบมีความสุข